พระบัญญัติ1นก็ภิกษุณีใดไม่บอกก่อนนั่งบนอัศนะข้างหน้าภิกษุต้องอาบัตปลายจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ